มาถึงวันนี้เนี่ยธรรมะคนเข้าใจหลักของการปฏิบัติเนี่ยเยอะมากเลยไปที่ไหนที่ไหนนะคนฟังซีดีบ้างอ่านหนังสือหลวงพ่อบ้างนะเข้าเข้ามาหานะมาบอกว่าชีวิตเทาเปลี่ยนไปแล้วบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อนะแต่ว่าฟังแต่ซีดีก็ยังบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยน ต่อไปถ้าคนปฏิบัติมากๆเนี่ยจิตแพทย์งานเนี่ยจะลดลงเรลือแต่พวกที่มีอาการทางสมองนะอาการทางจิต น, นจะลดลงเมื่อก่อนนะจิตแพทย์ไม่ชอบพวกนักปฏิบัตินะเพราะว่านักปฏิบัติเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลบ้าเยอะมากเลยปฏิบัติผิดนะ่นะถ้าจเจริญสตินะตรงข้ามกับความบ้านะไม่บ้าหรอก มันก็แปลกนะสมัยก่อนนะัเชื่อกันแปลกๆเชื่อว่าถ้าคนปกติเนี่ยเป็นทําสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมแล้วจะบ้าแต่พอคนไหนบ้านะชอบพามาให้พระสอนกรรมฐานจะให้แก้บ้าอันนั้นต้องไปหาหมอละถ้าไม่อยากบ้าก็ต้องมาเรียนกรรมฐานสะก่อนเรียนให้ได้หลักที่แม่นยําแล้วไปลงมือปฏิบัติ ความคิดความเชื่อความฟุ้งซ่านในธรรมะนี่ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเท่าไหร่หรอกนี่ธรรมะไม่ใช่ข อ, อไว้คิดหลายคนเนี่คิดธรรมะไปเพลินสนุกรู้กสุดกกูเก่งกูเก่งไม่ได้เรื่องเลยคนที่เขาพาณาเป็นมีหูมีตาก็รู้ว่าไม่ได้ความหรอกถ้าภาวนาเห็นตัวเองได้ก็ชักจะได้ความล้เห็นกายเห็นใจมันทํางานไปนะ ถึงจุดที่มันลดละกิเลสถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเป็นลําดับลําดับไปถ้าเราพอวนาไปนะจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือความดับสนิทแห่งทุกข์ถ้ายังไม่ถึงขั้นดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นความพ้นทุกพ้นจากทุกทุกยังมีอยู่แต่จิตนั้นพ้นจากตัวทุกข์ถึงจุดหนึ่ง ตัวทุกข์ก็ดับนะก็เรียกว่าความดับสนิทแห่งทุกข์ถ้าเมื่อไหรจริตเรามีความอยากจิตเรามีความยึดถือจิตเราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมีภาระนะภาระทางใจจะเกิดขึ้นความอยากนั้นเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้นะความอยากเกิดตลอดเวลาและห้ามมันไม่ได้ด้วยรากเหง้าของความอยากมาจากความไม่รู้อริยสัจ ความไม่รู้อริยสัจเรียกว่าอาวิชชาตราบใดที่ยังไม่รู้จากอริยสัจยังทำลายอาวิชชาไม่ได้นยังพ้นทุกข์ไม่ได้ถ้ารู้แจ้งอริยสัจทาลายอาวิชชาจิตจะพ้นจากทุกข์จิตจะไม่เข้ามายึดถือในรูปธรรมนามธรรมแล้วก็ไม่ยึดถือในสิ่งใดอีกเลยดำรงขันอยู่เราสมมุติเรียกว่าพระอระหันต พระอรหันเนี่ยท่านพ้นจากทุกทางปว่วงจิต ท, ท่านไม่เข้าไปหยิบชวยไม่ทุกพระรูปธรรม ท, ทั้งหลายไม่ทุกพระนมามธรรมทั้งหลายรูปธรรม ท, ทั้งหลายอย่างเราแก่นะมันเป็นตัวเราแก่พื่อผู้พบปฏิบัติธรรมที่ท่านเก่งจริงท่านเห็นว่าตัวทุกมันแก่ไม่ใช่เราแก่ตัวทุกมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บตัวทุกมันตายไม่ใช่เราตาย ถ้าตัวทุกข์จะตายนะมีแต่ความร่าเริงใจไม่ใช่ความเสียดายเศร้าโศกครัค่มครวญร่ำไยลําพันธ์เจอกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบนะใจก็ไม่เข้าไปยินดียินร้ายด้วยจิตใจเนี่ยเหมือนสายลมพัดผ่านไปพัดผ่านไปในทุ่งดอกไม้สายลมก็ไม่ไปติดกับดอกไม้พัดไปเจอซากศพสายลมก็ไม่ไปติดอยู่กับซากศพ ใจที่มันไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรนะทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเรียกว่ามันพ้นจากทุกข์อยู่ไปจนถึงวันที่สิ้นอายุขัยแล้วร่างกายแตกดับร่างกายแตกดับมันคืออะไรก็คือความดับสนิทแห่งทุกข์เพราะอะไรคือตัวทุกข์ก็กายกระใจเราที่แหละตัวทุกข์ถ้าไม่ยึดกายไม่ยึดใจเรียกว่าพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์ ถ้าตัวทุกข์มันแตกมันดับไปเรียกความดับสนิทแห่งทุกขนะ์ก็เป็นการปรินิพานของพระอรหันตะ์สภาวะเหล่านี้มีอยู่จริงๆไม่ใช่นิยายหลอกเด็กมรรคผลนิพพานมีจริงๆวิธีปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานมีจริงๆเหลือแต่ว่ามีผู้ปฏิบัติจริงหรือไม่จริงเท่านั้นเองหนะลวงพ่อนะครับก็เรียกว่ามีบุญอยู่สมัยสัก30มกว่าปีมาแนละ้ว วเวนออกไปหาครูบาอาจารย์ไปเห็นนะแต่ละองค์แต่และองค์งนะ ด, ดเดื่มใจมากเลยประทับใจบางองค์อายุเกือบร้อยปีบางองค์ร้อยกว่าปีทาไมท่านผ่องใสทำไมดูท่านมีความสุขคนแก่อย่างโลกโลกเนี่ยดูมอมแมมดูชำรุดสุดโทมทั้งร่างกายทั้งจิตใจหาคนแก่ในโลกที่มีความสุขทางจิตใจนะ่าหายากนะ ทางกายนะไม่ต้องนับเลยมันไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ทาไมครูบาอาจารย์ที่เราไปพบไปเห็นแต่ละองค์แต่ละองค์ะงนะท่านงามอย่างนั้นนะดูท่านไม่มีความทุกข์เจือปนในใจท่านมาดูตัวเองโว้โสมบกมอมแมมนะเนื่อเจอมาหลายหลายองค์นะท่านต้องมีอะไรดีของท่านเข้าไปฟังเข้าไปเรียนจากท่านอยากได้ของดีอย่างท่านบ้างก็เข้าไปเรียนกรรมฐานนะท่านก็สอนกรรมฐานให้ หลักของการปฏิบัติธรรมก็อยู่ในเรื่องของไตรสิกขาเท่านั้นเองศีล่สิกขานะเรียนวิธีที่จะรักษาศีลให้ดีขึ้นดีขึ้นจิตสิกขาเรียนวิธีที่จะรู้ว่าจิตชนิดไหนนะเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลก็เรียนรู้ต่อไปอีกว่าเป็นกุศลแบบทั่วๆวไปหรือเป็นกุศลแบบสมถะหรือเป็นกุศลแบบที่จะใช้เจริญปัญญาทำมิปัสสนา จิตแต่ละชนิดเนี่ยนะไม่เหมือนกันนะใช้งานต่างกันเหมือนเป็นหมอมีมีดหลายเล่มนะแต่ละเล่มใช้ไม่เหมือนกันใช้คนละภารกิจกันนะเราต้องมาเรียนเรื่องจิตเรื่องใจเราให้แจ่มแจ้งนะจนกระทั่งเรามีความพร้อมทางจิตใจเราจะเจริญปัญญาได้อย่างไม่ติดขัดถ้าไม่เคยเรียนเรื่องจิตใจเลยนี่จะไปอยู่ๆจะไปเจริญปัญญานะมันจะไปเป็นเรื่องคิดเอาเองนะ ไม่ใช่วิปัสนาไม่ใช่การสังเกตการเว่าจิตไม่สามารถสังเกตการปรากฏการทั้งหลายได้จิตจะเข้าไปอินกับทุกปรากฏการนะเรต้องค่อยฝึกเอาวิธีฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาเป็นคนดูถอดถอนจากปรากฏการนะเป็นแบบหนึง่งนะวิธีให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเพื่อพักผ่อนไปอีกแบบหนึง่งทําได้2 อ, อย่างดีที่สุดนะถ้าทําได้อย่างเดียวอย่างที่2 อย่างแรกนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นไปเพื่อความสุขความเพลิดเพลินอยู่กับสมาธิอย่างที่สองนะจะทำให้เดินปัญญาได้แต่ถ้ามี2 อ, อย่างดีที่สุดถึงเวลาต้องการพักผ่อนจิตใจปฏิบัติธรรมมากจเจริญปัญญามากเหนื่อยก็ทําสมถะพักผ่อนอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขถึงเวลาที่จิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วไม่นอนแช่อยู่ในความสุขของสมาธิ ออกมาเจริญปัญญาพาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกปานนั้นออกมาดูกายทํางานมาดูจิตใจทํางานดูไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจต้องดูมันว่าจริงๆมันเป็นยังไงแล้วถึงจะเห็นว่าจริงๆมันเป็นยังไงไม่ใช่ไปดัดแปลงมันพวกเรานักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลาย10ปีที่หลวงพ่อเห็นนะทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติทำเนี่ยก็จะบังคับกายบังคับใจ จะดัดแปลงกายดัดแปลงใจทันทีเลยคิดถึงการนั่งสมาธิต้องวางฟอร์ม <c oughs> วางฟอร์มทางร่างกายเสร็จแล้วก็ต้องวางฟอร์มทางใจทําใจขึ้นขึ้นางพวกเป็นมากกวนี้น้อมใจให้ซึม <c oughs> บางพวกดูร้ายก็หายเลือดนะนะมีหลายแบบนะเนี่ยมันดัดแปลงทั้งสิ้นเลยนะ การปฏิบัติจริงง่ายนิดเดียวเลยใจของเราขนาดนี้เป็นยังไง ร, รู้จักความสุขไหมรู้จักความทุกข์ไหมรู้จักโลภโกรธหลงไหมรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักดหดถู่ไหมรู้จักทุกอย่างใช่ไหมก็แค่รู้ว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงเนั่นเองใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขพวกเราในห้องนี้สังเกตไหมเมื่อกี้นี้มีความสุขตอนนี้เป็นอุเบกขามากกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยแล้วใจเริ่มนิ่งๆลงมาลนะะเนี่ย ร, รู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อย ไม่ใช่ไปดัดแปลงเขาเวลาเดินจงกรมนะก็ต้องดัดแปลงตั้งแต่ท่าเดินแล้วก็เริ่มเถียงกันนะว่าเดินยังไงถึงจะถูกเดินยังไงถึงจะถูกรู้ไหมก็เดินไปให้ถึงที่หมายโดยไม่หกล้มนะั่นแหละถูกอะ่นะเดินด้วยความมีสติไม่ใช่ว่าเริ่มเถียงกันมือจะต้องอยู่ตรงนี้มือมือไว้ข้างหลังบางคนต้องมือไว้อย่างนี้ด้วยนะ ทำไมต้องมือไวอย่างนี้ไปเห็นรูปสมเด็จโตท่านมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้เผื่อจะได้เป็นสมเด็จโตบ้างนะมันไม่เกี่ยวกับมือไม่เกี่ยวกับท่าทางนะมันอยู่ที่ว่ามีสติไหมมีใจตั้งมั่นไหมนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่อยู่ที่กระบวน่าเลยตลอดเวลาที่นั่งอยู่มีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวมีสติ เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนั่นปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วทําสมาธิได้ถูกต้องแล้วในขณะที่เดินนะสมมติขาเราเป๋ขาไม่เท่ากันข้างสั้นแนวข้างอะไรนะี่นะเดินกระเปพกกระเปพกเดินไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วเดินจงกรมได้ไหมเดินได้ไหมไม่มีขาเลยเอาไม้ยันไปนะเดินจงกรมได้ ไ, ดไหมได้อยู่ที่ความรู้สึกนะ เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหว ใ, หใจเป็นคนดูอยู่ถ้าจิตใจก็เคลื่อนไหว ใ, หใจก็เป็นคนรู้ทันอีกนั้นเรามาเจริญสติเจริญปัญญาให้มากนะไม่งั้นเราจะไม่ได้ประโยชน์เลยจากพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรหรอกศาสนาพุทธไม่ใช่แค่เรื่องทําทานไม่ใช่แค่เรื่องรักษาศีลไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธิให้จิตสงบการทําทานในศาสนาอื่นก็มีการรักษาศีลในศาสนาอื่นก็มีการทําสมาธิเพื่อความสงบศาสนาไหนๆก็มีทางนั้นแหละนะ การเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจนี้เป็นศาสต ร, ร์เฉพาะในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านคนผมว่าถ้าเรามาเจริญปัญญานะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนหมดความลังเลสงสัยเลยนะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นอย่างนี้แหละนั่นเป็นอย่างนี้แหละถามว่ามันเป็นอะไรเป็นตัวทุกข์ก็สิ ถ้ารู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะสมุทัยคือตัวตัณหาคือตัวความอยากเนี่ยจะไม่เกิอดอีกแล้วทันทีที่รู้ทุกข์นะก็จะลาสมุทัยเด็ดขาดในขณะนั้นละครั้งเดียวแล้วไม่ลาอีกแล้วไม่มีให้ล้าอีกแล้วถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็คือรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะถ้าเห็นได้ขนาดนี้นะความอยากที่จะให้กายเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายพ้นทุกข์ไม่มี ความอยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์ก็ไม่มีจะอยากให้มันสุขได้ยังไงมันเป็นตัวทุกข์จะอยากให้มันพ้นทุกข์ได้ไงก็มันเป็นตัวทุกข์เห็นไหมความอยากจะไม่เกิดขึ้นความอยากที่ว่ามีมากมายนะคนโบราณจะชอบบอกอะไรกิเลสพั 1, 5, ตันหา108อะไรเห็น ไ, ไหมพูดอย่างนีน้มันจะมีตันหาสักเท่าไหร่ก็ตามเถอะย่อลงมานะก็คือความอยากอยาให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เท่านี้เอง แต่ถ้าเมื่อไรแจมแจ้งในความเป็นจริงของกายของใจแล้วเนี่ยความอยากจะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดเนี่ยการบีบคั้นทางใจจะไม่มีการดิ้นรนทางใจจะไม่มีจิตใจจะเข้าถึงสันติสุขตัวสันติสุขอันนั้นแหละเรียกว่าพระนิพพานนะตัวนิโรธนะนิพพานคือสันตินะความสงบระงับจากกิเลสจากอะไรอีกจากความปรุงแตง่งจากอะไรอีกจากทุกจากกิเลสด้วยจากกิเลสใช่ไหม ความปรุงแต่งกับความดิ้นรนทางใจของเราความทุกข์ทำไมนิพพานพ้นจากตัวทุกข์อะไรเป็นตัวทุกข์รูปนามขันห้ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์นะใจสัมผัสพระนิพพานเนี่ยใจไม่ยึดในรูปนามในกายในใจนี้จะสัมผัสพระนิพพานนะเนื่องใจจะมีความสุขที่มหาศาลเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขในโลกทุกอย่างที่พวกเรารู้จักนะหลวงพ่อก็รู้จักนะก็หลวงพ่อเป็นฆราวาสอยู่นาน ตั้ง48ปีมีภาระที่จะต้องอยู่กับโลกต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่กว่าจะได้บวชเนี่ยนานความสุขในโลกที่พวกเรารู้จักหลวงพ่อรู้จักทั้งนั้นแหละความสุขจากการมีครอบครัวความสุขจากการมีทรัพสมบัติมีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่มีทั้งนั้นอ่ะแต่มาภาวนานะ<ม>ได้ความสุขจากสมาธิมสมาธิเนี่ยได้ทามาแต่เด็กเพราะงั้นอยู่กับโลกนะมีความสุขอย่างโลกโลกเนี่ย ไม่เคยหลงโลกหรอกาเราเคยเจอความสุขที่เหนือกว่าความสุขอย่างโลกโลกความสุขที่เหนือกว่าความสุขอย่างโลกโลกคือความสุขจากสมาธิสมาธิให้ความสุขมากกว่าการที่ไปดูหนังไปฟังเพลงไปรวมกลุ่มกันดีดดิ้นเฮฮาอะไรทั้งสิ้นแล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีความสุขที่สูงขึ้นไปอีกความสุขจากการมีปัญญาความสุขจากการที่ปัญญามันเกิดความสุขของสมาธิเนี่ย กิดความสุขอย่างโลกโลกนะเพราะเรามีความสุขอย่างปัญญานะีจะพบว่าความสุขของโลกโลกกับความสุขของสมาธิมหาสาระไม่ได้เลยความสุขอย่างชาวโลกทั้งหลายนะที่เพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายเนะี่ยเป็นความสุขเหมือนกับเด็กที่เล่นคลุกฝุ่นเล่นดินเล่นทรายเล่นของสศกปลกอยู่เด็กเล่นอยู่ตามพื้นดินมีความสุขไหมนะ ใน่าจะใจที่เข้าไปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะก็มีความสุขแต่เป็นความสุขเหมือนเด็กเล่นดินเล่นทรายความสุขของสมาธิมันเป็นความสุขของคนที่ทํางานหน้าเหนื่อยแล้วก็ไปพักเหมือนเป็นความสุขของการที่ได้พักผ่อนะส่วนความสุขของการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึง่งมันเป็นความสุขแบบผู้ใหญ่นะไม่ใช่ความสุขแบบเด็กไล่เดียงสาคลุกดินคลุกทรายไม่ใช่ความสุข แบบไปพักผ่อนเงียบๆอยู่มันเป็นความสุขแบบคนซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเวลาที่ความสุขจากปัญญาเกิดเนี่ยจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งมันเป็นความอิ่มอิ่มใจนะไม่เหมือนความสุขของฌานในความอิ่มอกิ่มใจเนี่ยนึกถึงเมื่อไหร่ก็อิ่มใจเมื่อนั้นนั้นความสุขยังมีขึ้นไปอีกคือโลกุตรสุขความสุขของพระนิพพานความสุขของพระนิพพานนี่อัศจรรย์ พวกเราต้องภาวนาวะนะเรื่องความสุขมันก็มีหลายขั้นเราภาวนาได้ความสงบขึ้นมาเราก็จะเลยการมาสุขเรื่องเล็กอย่างหลวงพ่อนะีสอนโยมเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นให้เจริญสติในชีวิตประจําวันให้มากเพราะให้โยมไปนั่งสมาธิไม่ค่อยมีเวลานั่งแล้วเจริญสติในชีวิตประจําวันไปได้มากได้ผลได้อะไร ก, ก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้จะเป็นพระอราหันต์ได้ไหมได้ เป็นพระาหารชนิดที่เรียกว่าสุขวิปัสสกะนะไปได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ถ้าสอนพระจาสอนอีกอย่างนะสอนพระเนี่ยหลวงพอ่อจะสอนว่าต้องทาสมาธิด้วยเพราะอะไรว่าพระไม่มีกามมาสุขเลยอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนนะบางวันเ้วเจออาหารอาหารนั้นว่างนะเปิดบาทมาว่างเปล่านะเจออาหารว่างาไม่ไปกินอยากกินโ น, น่นกินนี่มีแต่อาหารว่างอนยะ่างเงี้ย อยากได้ของร้อนๆก็ได้ของเย็นเย็นอยากได้ของเย็นเย็นก็ได้ของร้อนๆได้เ <vend> ข <course> ้าต้มมาในเย็นเจี๊ยบเลยอย่างเงี้ยนะพระไม่มีกรรมสุขอยากนอนให้สบายที่นอนก็ไม่สบายนอนบนไม้กระดานนอนบนเสืออะไรอย่างเงี้ยนะเสื้อผ้าก็มีไม่มากไปที่ที่หนาวนี่เอาเรื่องเลยนะหนาวจัดชุดพระเนี่ยมีเอกลักษณ์วิเศษอยู่อย่างนะจีวรพระเนี่ย หน้าร้อนร้อนหน้าหนาวหนาคิดดูนะถ้าเราเดินกลางแดดนะเราห่มผ้าห่มไปด้วยอะะรู้สึกยังไงนะงัพระไม่มีการมมาสุขคือความสุขทางร่างกายไม่มีหรอกลาบากแต่ถ้าพระทำสมาธิได้นะพระมีฌานสุขพระอยู่ได้นานหวดไปเรื่อยเรื่อยมีความสุข ใครเขาเพลิดเพลินไปทั้โลกนะสนุกสนานนะพราไม่สนใจรู้สึกเด็กมันเล่นทรายเด็กมันเล่นดินนะีรู้สึกอย่างนี้นนะแต่ถ้าเดินปัญญาได้นะมันได้ความสุขที่ระณีทขึ้นไปรู้เลยความสุขของสมาธิก็ความสุขแบบเด็กๆอีกอ่กนะไรเดียงสานะถ้าไปเจอพระนิพพานนะก็จะรู้เลยว่าความสุขจริงๆเป็นยังไงนะไอ้ที่ว่าสุขๆที่แท้ทุกข์ทั้งนั้นเลยเจือทุกข์ทั้งนั้น กระทั่งสุขในฌานนะสุขเจือทุกสุขจากความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติที่เกิดมาเป็นระยะระยะเป็นตัวทุกิจยังเจือทุกอยู่เพราะงั้นถ้ามีโอกาสนะไปฟังซีดีหลวงพ่อนะพวกที่ไม่ค่อยได้มาวัดนะให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองสักบ้างนะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นชีวิตเราจะเปลี่ยนทุกคนแสวงหาความสุขนะ แต่ว่ามันหาได้ไม่เหมือนกันบางคนความสุขไปผูกพันอยู่กับเงินเงไปหาเงินไม่ได้หาความสุขคิดว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขคนมีเงินไม่ได้มีความสุขมากหรอกนะาทีเครียดด้วยแบงก์จะล้มไม่ล้มอย่างเงี้นะะเจ้าเงินไปฝากที่ไหนดีนะเอาไว้ที่บ้านเดี๋ยวคนมาเอาไปอย่างเงี้ยค่าเงินจะลดไหมอย่างงี้ยนะรวยๆมากก็กลุ้มใจเยอะนะ มีชื่อเสียงชื่อเสียงก็เสียงภัยใช่ไหชื่อเสียงก็เป็นของครอนแคลนง่ายนะมีตำแหน่งหน้าที่ก็เป็นของชั่วคราวบางคนแย่งตำแหน่งกันแทบตายใช่ไหมพอกเกษียณที่นมาก็ว่างเปล่าใครก็ไม่มองแล้วนีนี่ความสุขที่อิงอาศัยสิ่งอื่นๆหรือความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นตอนเด็กๆถ้ามีพ่อมีแม่เลี้ยงก็มีความสุขนะคือความสุ ข, สขนั้นอาศัยพ่อแม่เรา โตขึ้นมานะมีพักพวกเพื่อนฝูงก็มีความสุขมารวมกันเป็นฝูงฝูงไปตีกับเขาเขมีความสุขอยู่นะหรือมีครอบครัวขึ้นมาความสุขของเราอิงอยู่กับครอบครัวสามีนอกใจความสุขก็หายไปแล้วหรือภรรยานอกใจความสุขก็หายไปล้ความสุขที่อาศัยคนอื่นหรือความสุขว่ามีลูกหน้าตาดีๆฉลาดฉลาดเวลาจะอยากมีลูกก็อยากมีลูกหน้าตาดีๆฉลาดฉาด นิสัยดีๆอยากได้อย่างนี้ลืมดูตัวเองหน้าตาดีไม่ดีนะฉลาดไม่ฉลาดนะนิสัยดีไม่ดีไม่ได้ดูเลยจนะอยากให้ลูกดีๆพอลูกไม่ได้อย่างใจก็มีความทุกข์ละนะความสุขที่อาศัยลูกนะแก่ๆขึ้นมานะลูกหลานไม่ไมาเยี่ยมพวกญหญุ่นหิดโอ้โหเจอหน้านะก็กระแนกกระแหนมันดามันมันยิ่งไม่มาใหญ่เลยเพราะว่ามาทีไรก็โดนดา่านะ ความสุขที่ยิงอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นหาสาระไม่ได้หรอกนะความสุขที่พึ่งตัวเองได้ดีที่สุดความสุขที่พึ่งตัวเองได้เริ่มจึงจะสุขในสมาธินะทำสมาธิขึ้นมาอยู่ของเรามีความสุขนะใครก็จะเป็นไงเราก็ยังสงบสุขอยู่นะการส่งเคราะห์โลกอะไรนั้นก็ทําเท่าที่ทําได้ไม่ทําให้จนเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าคนซึ่งภาวนานะใจมันจะมีเมตตากรุณาวุฒิตาอุเบกขานะ ถ้ามีครบงั้นอย่างเรื่องสังคมสงเคราะห์เรื่องช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นอย่างหลวงพ่อก็ทำเฉพาะงานเผยแพร่ตั้งใจไว้เลยจะทำเฉพาะงานเผยแพรเราจะสร้างชาวพุทธไม่ให้สร้างของเราสร้างเท่าที่จําเป็นงั้นใครไม่อย่ามาชวนหลวงพ่อไปทำอย่างอื่นเนาะทุกวันนี้สิ่งที่ขาดแคลนไม่ใช่วัตถุสิ่งที่ขาดแคลนคือชาวพุทธนะ จะพูดใกล้จะศูนย์พันละนเป็นแต่เปลือกไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอา้าวส่งกันบ้านอา้าว่ามาครับก็รู้สึกดูใจช่วงนี้มันไปอยู่กับไอ้ตัวความคิดอารมณ์คือมันไม่ค่อยอยู่กับตัวผู้รู้อะครับหลวงพ่อแล้วมันมีโทสะแทรกไหมครับมันมั น, นก็ไม่ค่อยเป็นกลางครับคือมันจะไปบังคับใหมมนะ้มันไม่นั่นแหละมันมีความมีโทสะแทรกนะครับ ให้หมอรู้ทันว่าจิตมีโทสะนะแทรกอยู่ทําสม่ําเสมอไปถือว่าทําเป็นพุทธบูชาไม่ได้ทําเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบไม่ได้ทําเอามักผลนิพพานอะไระถือว่าเราทําบูชาพระไปถ้าเราทําแล้วไม่เอาเข้าตัวเนี่ยเราจะได้เร็วถ้าทํำระวังจะได้นอนได้นี่ยิ่งช้าใหญ่นะง <Okay. S 1> ั้นเราทําถวายพระพุทธเจ้าปฏิบัติบูชาทุกวันทุกวัน ใจเราคิดอยู่กับถึงผู้ได้เจ้าอยู่นะมีความสุขได้สมาธิได้อะไรขึ้นมาด้วยถูรูปนามมันทํางานไปถ้าเราทําเพื่อจะเอามันจะความหงุดหงิดมันจะแทรกเพราะามันอยากได้ความอยากเนี้ยมันจะเร็วเราอยากได้เร็วๆสมมุติว่ามีครูบาอาจารย์มาบอกเราว่าโอ้ยทําไปเถอะอีก7ปีจะได้เราจะรุ่นหน้า6ปีไม่ได้เหรอือ จะเอาให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะเพราะความอยากเราเนี่ยไม่มีลิมิตเลยงั้นอ่าไปทําตามที่อยากอนะ่ะพออยากแล้วโทสะจะแทรกนะราคาเกิดแล้วโทสะก็จะตามหลังมาเพราะโทสะเป็นลูกของราคะราคาและโทสะเป็นลูกของโมหะต้องหลงก่อนนะราคาถึางจะเกิดมีราคาแล้วโทสะก็ค่อยเกิดนะเนี่ยบรรพบุพรบุษตะกูลกิเลสนะเรารู้เท่าทันมัน ผมก็เห็นความคิดเกิดดับเป็นส่วนมากครับบางช่วงก็เห็นความอิ่มเอิบในอกบางช่วงก็เห็นความสุขเบาๆบางช่วงก็เห็นความความนิ่งนิ่งนิ่งว่างๆเราไม่ได้ฝึกเอานิ่งเอาว่างไม่ได้ฝึกเอาสุขเอาสงบนะ ไ, ได้ฝึกเอาดีฝึกให้จิตมันเห็นความจริงได้ไปไม่มีแต่ของเปลี่ยนแปลงมีแต่ของบังคับไม่ได้นะ การตั้งใจดูภยายนี้ได้ๆการพอน้ำจะไปได้ได้ ๆ, ๆไม่ได้ทำเพื่อเอา่ทำเพื่อให้เห็นว่าจริงๆมันเป็นไงจริงๆไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์เป็นนาตาก็าเริ่มเห็นว่าจิตมันบังคับไม่ไดม้มันทำของมันเองบางแต่ก็ยังอยากบังคับอยู่จิดต้องถึงฐานนะสมาธิต้องพอ ไปทำในรูปแบบแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้คุณหมอได้นะคาวาสเนี่ยมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงมากๆนะอยู่สองเรื่องนะเรื่องหนึ่งสมาธิไม่พออีกเรื่องหนึ่งทําไม่ต่อเนื่องทำทำหยุดหยุดปฏิบัติธรรมเหมือนภายเรือทวนน้ำนะหยุดไม่ได้นะหยุดแล้วถอยเลยหยุดแล้วมันไม่อยู่กับที่มันจะแย่ลงงี่นต้องพักเพียรคล้ายๆพายเรือทวนน้ำนะข้ามแก่งไปได้รอบหนึ่งก็ค่อยเบาใจทีหนึ่ง เราภายภายต่อไปไปข้ามแก่งที่สองข้ามแก่งที่3ทะลุแก่งที่4ี่ไปแล้วถึงจะสบายจริงๆนะตอนนี้มีความฟุ้งซ่านเยอะอะเจ้าค่ะในทั้งชีวิตประจําวันแล้วก็ดูความคิดแล้วก็ทําสมถะเป็นช่วงสั้นๆในแต่ละวันหลายๆช่วงอะเจ้าค่ะตอนนี้ยังไม่พอเนา ะ, ะจะพุโทโธอะไรก็ทํานะแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไหมสมาธิสําคัญนะ แต่ไม่ใช่สมาธิานี้นะครับสมาธิเหลวๆ ห, หลายๆส่วนใหญ่ที่ทำกันทำสมาธิไม่ได้เรื่องสมาธิก็จิตคือความตั้งมั่นของจิตหลวงพ่อทำมาตั้งแต่เป็นโยมนะฝึกเจอท่างจิตมันตั้งมั่นหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะหลวงปู่สิมเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้คนไม่เข้าใจไ อ, ไอ้หน่มคนนี้มันรู้อะไรวะรู้อะไรก็รู้ตัวสิ รู้อะไรซะอีกยังต้องรู้ตัวนะรู้สึกตัวเรื่อยๆใจเป็นผู้รู้แล้วก็ดูธาตุดูขันเขาทำงานไปช่วงไหนฟุ้งซ่านทำสมถะช่วงไหนไม่ฟุ้งซ่านแล้วนะใช้จิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นมาไปเจริญปัญญาสมาธิต้องให้ถูกชนิดการค่ะหลวงพ่อ จะมาขอคำแนะนําของหลวงพ่อว่ายมควรใช้ยมิมหารล้วเอายมเดิมต้องดูตัวนี้นะดูนิสัยของเรา <c oughs> เรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามหรือเราเป็นคนช่างคิดช่างคิดใช่ <c oughs> ช่างคิดนะ่ะกรรมฐานที่หมอก็คือรู้ทันจิตตัวเองนะ <c oughs> พวกจิตตานุกปัสนานะหมอกับพวกทิฏฐิจริตพวกช่างคิดใ <c oughs> ครยดูไปตาหูจมูกลิ้นไกาใจให้มันกระทบอารมณ์ไปนะแต่กระทบไปแล้วใจเราเป็นยังไง ร, รู้ทันมัน ใจสุขใจทุกข์ใจโลภ ใ, ใจโกรธใจโกรรู้เรื่อยๆไปฝนะึกอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่ถ้าจะอยากมีเครื่องอยู่ก็อยู่ได้จะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธก็ได้แล้วก็คอยรู้จิตที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ถ้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันนีให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติไม่ห้ามเลยกระทบไปเถอะกระทบแล้วเกิดสุขทุกข์กุศลอกุศลรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะขอบคุณค่ะ นมัศขังค่ะพระอาจารย์<ม>ปีที่แล้วพระอาจารย์แนะนําโยมว่าให้โยมดูโทสะที่มันแทรกขึ้นมาเงืองแล้วก็ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยโทสะเขาจะเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็โยมจะมีจิตที่จิตด ว, จ ด, ดวงหนึ่งเนี่ยเขาจะรักด<ม>ีอีกดวงหนึ่งเน่ยเขาจะร้ายมากๆ hmm. จิตดวงที่ดีเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่ให้จิตดวงที่ร้ายเนี่ยโผล่ขึ้นมาได้ hmm. จิตที่ร้ายในยพระอาจารย์เขาร้ายมากๆเลย hmm. ทั้งแบบประมาณว่าอาฆาตพยาบาท hmm. แล้วก็แบบ โหดที่แยมากๆไงคระอาจารย์คือจิตที่ร้ายเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้หรอกเราสะสมของเรามาอย่างนี้นะแต่เรารักษา ศ, ศีลห้าไว้ถึงจิตจะรายย้ายยังไงก็แค่รู้ทันมันแต่ว่าไม่ให้ทำผิดศีลห้านะแค่นั้นพอแล้วล่ะไม่ต้องรักเด็กนะรักเสียงเพลงธรรมชาติและความยุติธรรมไม่ต้องหรอกนางมารร้ายก็มารร้ายเลยแลห่ะแต่ว่ า, นนาไม่มารได้จริงๆครับอาจารย์ไม่ไปกรานใครนะ แล้วก็ช่วงนี้เขาก็ยังมีแบบว่าคนเรื่อยๆแล้วก็แบบว่ในใจใช่ใช่ค่ะว่าในใจว่าทุกๆคนหมดเลยว่าอาจารย์ไม่เห็นแปลงเลยพวกเรานั่งว่าหลวงพ่อก็เยอะไปบางคนแล้วว่าแบบเบาะบาะพอหลวงพ่อพูดประโยคนี้เดี๋ยวก็ต่ออันนี้รู้เยอะรู้เยอะของหนูนั่นแหละอย่าไปติดดีเนาะค่ะติดดีมาเป็นปีเลยค่ะพระอาจารย์ปล่อยซาแล้วดูของจริงไป กิเลสนะั้ถ้าเรารู้ทันนัมันจะค่อยๆ อ, อ่อนกําลังลงยิ่งเราไปกลัวเราไปกดมันนะมันไม่กลัวเราหรอกแต่ว่าแค่ว่ากิเลสเกิดแล้วอย่าให้มันผิดศี่ห้าแค่นี้พอละนะครับกลับนม่ส ก, กายพระอาจารย์ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะอืจะบอกว่าตัวเองบอกตัวเองว่าตื่นเต้นมากแต่มันก็ยังไม่หายนะั่นแหละบอกผิดนะี่ะ <laughs> ที่ให้รู้ว่าตื่นเต้นไม่ใช่เพื่อให้หายตื่นเต้น แต่เพื่อให้รู้ว่าเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันจะตื่นเต้นมันเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้นั <ite> ่นต้องตั้งหลักให้ถูกนะเราไม่ได้ดูเพื่อให้หายอย่างเรานั่งสมาธิอยู่แล้วปวดเมื่อยไม่ได้นั่งเพื่อให้หายปวดนะเรานั่งเพื่อให้เห็นความจริงร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งต่างคนต่างทําหน้าที่บังคับกันไม่ได้นั่นดูไปความจริงจนกระทั่งเห็นมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นั่นไม่ได้นั่งเอาดีเอาอะไรนะ <Yeah. S 2> อีกข้อหนึ่งค่ะพระอาจารย์พอดีวันนี้เห็นอาจารย์พูดเรื่องอความสุขนะคะพอ mm hmm. ดีเมื่อสิปีที่แล้วพยายามจะ <Hey. S 2> นั่งสมาธิด้วยตัวเองนะคะ mm hmm. แล้วก็มีวันหนึ่งก็ได้คิดว่าได้ถึงบรมสุขนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ามันมันต่างกับวิตกวิจารณ์สุเอกคตาอย่างไรคะทําไมนะมันต่างกับ วิตกวิจารณ์สุขเอกขตาค่ะความคำว่าสุขอันนี้อันเดียวกันไหมคะสุขคือความสุขนั่นแหละความสุขใจแต่มันเป็นม่เป็นสุขมากมากเลยค่ะสุขปางตายในสมารถในสมาธิน่ะสุขมากถ้าตอนสุขในขั้นเกิดอริยมรรคอริยผลนะโอ้ยสุขปางตายกว่านั้นอีกถ้าแค่สุขในสมาธิปางตายแล้วไปเจอสุขนั้นตายเลย ของโยมอะ่ะให้ไปสังเกตอันหนึ่งให้กันบ้านพิเศษนะพิเศษเวลาที่เราใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยจะต้องไม่เหลือตัวนิ่งอยู่ตัวถ้ายังมีตัวนิ่งอยู่ในทุกๆปรากฏการณ์ทุกๆสถานการณ์แสดงว่าเราไปประคองจิตไว้ไปเพ่งตัวรู้ไว้ อ, อ, อ้าว่ามาค่ะกัาบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะ หนูปฏิบัติตามแนวพระอาจารย์มาสี่ปีก่อนๆแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้หนูจะติด เ, เวลาหลงจะหลงเยอะค่ะหลงเยอะหลงนานแล้วก็โทสะจะแรงแล้วก็บ่อยค่ะพระอาจารย์จ<ะ>เยจเริญเมตตาไว้ไม่ผิดอะไรหรอกน ะ, ะ, จะเจริญเมตตาบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆใจจะได้มีความสุขชุ่มชื่นเงี้ยจะแห้งแล้งไปหนูขอการบ้านเลยนะคะ ใจมีความรู้สึกมืดมืดมัวมัวหนักแน่นโกรธอะไรขึ้นมานะอาจแยกธาตุแยกขันไปดูไปสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของถูกรู้ถูกดูใจเราเป็นแค่คนดูเป็นกลางกับมันไว้เวลาที่เหลือสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงอะไรเงี้ยใจมีสมาธินะใจก็จะมีกำลังผ่านตัวนี้ไปได้ค่ะขอบคุณคะกับน้ำมศการหลวงพ่อครับ เมื่อส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ามันมีความโลภแล้วมันก็มีอาการใจร้อนอะไรเงี้ยครับก็เดือนหนึ่งก็พยายามไปดูมันพยายามดูพยายามจ้องไปแทรกแซงมันดูหนักเข้าเป็นเดือนก็ไม่เห็นพอไม่เห็นมันก็เลยเริ่มเริ่มมีโทสะในการที่จะดูทำไมมองไม่เห็นสักทีทำไมไม่เห็นสักทีหลวงพ่อให้กันบ้านไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับผลสุดท้ายดูไปได้สักเดือนหนึ่งก็หลังๆนี่ก็ชักเริ่ม ไม่ดูละคือแบบดูไม่เห็นก็ไม่ดูแล้วต้องงั้นสิมันไม่มีให้ดูก็จะไปดูอะไรล่ะแล้วเราต้องทำยังไงต่อครับก็รู้อย่างที่มันมีอนะอะไรปรากฏขึ้นมาก็รู้ทันครับอย่างนี้ใจมีความสงสัยเกิดขึ้นหรือว่ามันสงสัยครับรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอ๋อครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอรู้ตอนนี้ พยายามเปรียบเทียบระหว่างรู้กับตอนที่ไม่รู้ตอนที่รู้เนี่ยมันมันรู้สึกว่าตัวมันหนักกว่าตอนที่ไม่รู้ครับอตอนที่ไม่รู้เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้สนใจตัวเงี้ยมันก็ไม่หนักมันหนักแต่มันก็ไม่รู้ครับอ๋อมันหนักแต่มันไม่รู้เพ <c oughs> ื่อโถเวลาจิตหลงเกียริเลเรนะทุกจะตายไปแต่เราไม่รู้ไม่เห็นเงี้ยเราเพลินเลินครับนะครับที่มีน้ําหนักมากเนี่ยเพราะมันจงใจด้วยนะ สมาธิมันแรงขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกหนักแน่นหน่อยอ๋ออันนี้คือสมาธิมันมันเกินไปหรอครับหรือว่ามันไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้อ๋อแต่ว่าเกินธรรมดานี้หน่อยเกินนิดหน่อยแ ต, แต่ไม่ต้องลดนะครับครับก็เราก็มีสติมีอะไรไปเรื่อยแต่ไปคุณธรรมตัวอื่นก็ตามขึ้นมาทันอ๋อไม่ใช่ว่ามีของดีแล้ ว, วามากไปก็ลดลงต้องไปเพิ่มตัวที่น้อยอะครับนะ เ พ, เพิ่มสติเพิ่มอะไรขึ้นอ๋อเพิ่มสติใช่ไหมครับอ๋อการบ้านก็คือให้ให้ให้เพิ่มสติใช่ไหมนั่นแหละอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจก็รู้อย่างที่มันมีอย่างที่มันเป็นน ะ, ะนกกรครับธรรมสการครับหลวงพ่ อ, เ, อ, อเคยส่งการบ้านหลวงพ่อให้ให้ผมไปทําในรูปแบบนะครับแล้วก็ให้ตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ผมก็ไปทําแล้วก็รู้สึกมีสติมากขึ้นเลยนะครับหลังจากนั้นตอนนั้นเกิดภาวะคือ เพ่งเพ่งกับกับ<ด>รู้สึกมีไหลกดกดที D D D ่บ่านะครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับไม่ทราบจะแก้ไงครับไม่ทองแก้นะรู้อย่างที่มันเป็นอยากแก้รู้ว่าอยากดูไปมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเรานั่งแก้นะแก้อันนี้เดี๋ยวก็ไปเจออันอื่นต้องนั่งแก้อีกนะรู้ซื่อไปเลยไม่ไม่หนักหนานเท่าไหร่หรอกตัวนี้เกิดจากเราไปรวบเข้ามาเราเพ่งอยู่เท่านั้นครับ ถ้าไม่เพ่งมันก็หายยังยังยังไม่เช้าพอตื่นขึ้นมาปุ๊บมันก็หายนะครับแต่พอพอจิตเรามันไม่ได้จงใจแม้พอเราจงใจปฏิบัติก็จะแน่นขึ้นมาครับพอจงใจปุ๊บมันรวบขึ้นมาเองธรรมนอมัติครับะให้รู้ทันว่ามันรวบแล้วแล้วอย่าไปเกลียดมันนะก็แค่รู้ว่ามันรวบแล้วขลัไปมันจะค่อยๆคลายออกครับหลวงพ่อเคยเป็นนะตอนเป็นโยมอะไป็นั่งดูนั้งดูนะปวดตรงเนี้ยปวดเน้หัวจะแตกเลยเพราะจงใจมากอ่ะ ไม่รู้จะทำไงตั้งนั่งดูไปเรื่อยนะหลายปีนะหลายปีค่อยหายเป็นธรรมชาติขึ้นมาหลังๆนี่ปวดเป็นเดือนเลยครับโอ้เนาะเนี่ยของหลวงพ่อเลยบอกไว้ก่อนว่าหลายปีเลยเ กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะอันนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งที่สองค่ะจากที่ส่งครั้งแรกที่เชียงใหม่ค่ะหลวงพ่อให้ไปดูโทสะของตัวเองก็นําไปปฏิบัติจากที่เคยรู้ทันโทสะตัวใหญ่ๆก็โทสะตัวเล็กๆก็เริ่มก็เริ่มที่จะรู้ทันค่ะอยากจะขอเมตตาหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ดีหรือยังแล้วอยากได้การบ้านเพิ่มเพื่อไปนําไปปฏิบัติต่อค่ะดีแล้วล่ะแต่ต้องดีกว่านี้อีกเป็นลําดับไปนะ ใจขณะนี้เป็นไงอยู่กับตัวเองหรือกระจายออกไปอยู่ที่หลวงพ่อแล้วก็ตัวเองตื่นเต้นแล้วก็พุ่งไปที่หลวงพ่อตัวเองตื่นเต้นหนะให้รู้ทันนะใจมาอยู่ที่หลวงพ่อก็รู้เห็นมันตื่นเต้นแล้วไม่อยากตื่นเต้นแล้วไปเพ่งอาดเอาไว้ก็รู้นะรู้อย่างที่มันเป็นไปเรยเราปฏิบตัติต่อจิตเนี่ยเหมือนมันเป็นคนอื่นนะเราจะดูมันไปเรื่อยดูมันเล่นละครให้เราดูไปเรื่อยมสการครับหลวงพ่อครับเดิมติดเพ่งครับ วันนี้ขอการบ้านเพิ่มเติมครับเหนื่อยเนาะเพ่งต้องใจกล้าๆหน่อยนะถ้าเราเพ่งอยู่แล่วทุยามจะนิ่งๆทุย่างนิ่งมันไม่แสดงใจรักให้ดูเราก็ทำใจให้สบายถ้ามันเพ่งแรงก็ต้องลืมการปฏิบัติไปก่อนนะครับรักษาสี่ท้าไว้พอเราเลิกเพ่งเนี่ยเราจะร้ายละแต่เปนเนี้ยยิ่งเพ่งติดเพ่งนานนะพอเลิกเพ่งเมื่อไหร่ร้ายเมื่อ น, นั้นเลย จะรายมากกว่าคนปกตินี้เราจะไปเรียบร้อยดีตลอดนะแล้วเพ่งไว้ตลอดเนี่ยมันดีสําหรับคนอื่นแต่ไม่ดีสําหรับตัวเราเองเพราเราจะพัฒนายากแล้วค่อยๆ ค, คลายการเพ่งนะเราก็ดูกายดูใจก็ทํางานดูเหมือนดูคนอื่นดูเล่นๆนะ่ะแต่ว่าเรารักษาศีลห้าไว้ตั้งใจตัวนี้ไว้เพราะใจมันร้ายขึ้นมานะเรามีศีลห้าก็ยังไม่เป็นไรก็แค่รู้ว่าใจมันร้ายเราไม่ไปร่วมเกินใครนะใจหนีไปคิดทราบไหม นึงครับนะให้รู้ทันระหว่างกายกับจิตเนี่ยดูอะไรชัดกว่ากันกายครับดู ก, กายชัดถูกต้องให้คอยรู้ร่างกายนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูไม่ต้องเจตนามากนันเนี่ยเราก็ดูกดีอยู่ตลอดวันอยู่แล้วคอยรู้สึกถึงร่างกายเห็นร่างกายทำงานเหมือนเห็นคนอื่นไปเรื่อยๆนะฝึกตัวนี้แหละขอบพระคุณครับนวัตสการเจ้าค่ะหนูเหมือนรู้ตัวไม่ค่อยช้าแต่เจ้าค่ะ มไ่รู้สึกไหมว่ามันมันคลายการที่บีบอัดลงใช่ค่ะเออมันคลายกว่าเพราะก่อนหน้านี้มันเหมือนมันรวบๆแล้วมันตึงใช่ใช่นะมันตึงไปหมดเอออย่าไปรวบมันมาแต่แต่อย่างนี้ชัดเลยอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่าตอนนั้นที่รู้ชัดเนี่ยเพราะว่ารวบเอาไว้อย่างแรงเลยรู้จริงนะแต่เครียดรู้แล้วไม่มีความสุขครู้อย่างนี้ไม่ชัดเท่าแต่ก่อนนะแต่เป็นธรรมชาติมากขึ้นรู้อย่างนี้ดีกว่านะ แล้วถ้าใจเราฟุ้งซ่านเราก็พุโทโธพุโทโธอะไรไปก็ได้ค่ ะ, <น>ะขอบคุณค่ะนมันส ก, การหลวงพ่อนะคะเมื่ อ, อวานเมื่อวานพอรู้นี่มันก็เบิกบานแต่ว่าเมื่อเช้าสายๆเนี่ยออตอนยังไม่รู้งี่จิตมันมีลักษณะว่ามันทุกข์ยังไม่ทันออกไปรับอารมณ์มันก็ทุกข์แล้วมันเหมือนแบกอะไรไว้แต่เราก็ไม่รู้<อ>ว่ามันแบกอะไรนั่นแหละดีที่เห็นนะ เออ ม, มันถูกหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นอาการติดเพ่งหรือเปล่าไม่ไม่เป็นอะไร<อ>จิตมนะันน่ะมันก็ทุกอย่างนั้นแหละหนะแล้วมันทํางานนะมันมีจิตใต้สํานึกมีอนุสัยกิเลสอะไรเงี้ย น, นะ<อ>มีวิบาบกเก่าๆอะไรเงี้ยนะ<อ>มันก็ทุกอย่างนั้นแหละ<อ>แล้ให้ดูไปด้วยใจเป็นกลาง<อ>จุดสําคัญอยู่ที่เป็นกลางนะค่ะแปลว่าเมื่อเช้ามันยังไม่ค่อยเป็นกลางใช่ไหมคะใช่ไหม ถ้าอยากให้หายก็ไม่เป็นกลางอ๋อแต่ตอนนี้มันหายแล้วค่ะตอนนี้กลัวหลวงพ่อไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นจ้ะค่ะเออตื่นเต้นแล้วอยากให้มันไม่ตื่นเต้นไหมอ่าไม่อยากค่ะใจมันแน่นไหมตอนนี้ไม่แน่นนะคะแต่เห็นมันมันดิ้นเออนะมันมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่นะไอ้ตัวดูเนี่ยมันนิ่งเกินไปตัวเนี้ยมันเกินไปมันแข็งไปนิดนึงอาจจะแก้ยังไงคะตรงนี้ให้รู้ทันนะ ตัวนี้มันเกินธรรมดาจิตขณะนี้มันเกินธรรมดาอยู่หน่อยหนึ่งสังเกตไหมมันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งดูออกไหมดูดูไม่ค่อยออกรู้สึกไหมว่าใจมันนิ่งกว่าความเป็นจริงอารู้สึกเจ้ค่ะเออน่ะนี่ยให้รู้ทันว่ามันนิ่งๆจิตเราไปล็อกอยู่ตอนเนี้รู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆนะจิตนิ่งๆแข็งๆอยู่รู้ว่าแข็งๆอยู่จิตคลายออกรู้ว่าคลายออกนะจิตสุขจิดทุกข์จิตดีจิตร้ายรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเขาคุณอะดูจิตได้ชัดหรอก พระอาจารย้าขอการบ้านนะคะนี่ไงไปดูจิตต่อโอเคครับกราบนรร ม, มสการพระอาจารย์ค่ะพอดีได้ปฏิบัติมาสักปีกว่าแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีโทสะอยู่อะไรกราบเรียนพระอาจารย์ว่าทําถูกหรือยังถูกถูกแล้วนะถ้าบอกปฏิบัติมาแล้วไม่มีโทสะเลยนี่ไม่ใช่หรอก ค, คนไม่มีโทสะเลยต้องภาอนาคานะ เรายังไม่ถึงพระนักขายัางไงก็ต้องมีมันมีโทสะรู้ว่ามีโทสะค่ะโทสะหายไปรู้ว่าหายไปโทสะจะมาก็มาเองเราไม่ได้เชิญโทสะจะหายไปเรก็ไม่ได้ไล่แล้วไล่ก็ไม่ไปดูแต่เห็นแต่ว่าสภาวะทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปโดยที่เราบังคับมันไม่ได้ดูความรู้สึกต่างๆที่หมุนขึ้นมาในใจเราเหมือนคนมาเยี่ยมบ้านเท่านั้นเองคนเดินผ่านหน้าบ้านเรารเราเป็นคนดู ขอโยมไปดูเรื่อยๆโยมจะไปเห็นในตัวอนัตตาชัดนะเคเห็นตัวบังคับไม่ได้อะจะชัดกว่าตัวอื่นจะดูตัวนี้แหละค้ะำพระสการ์ครับผมคือไม่ค่อยมีสมาธิครับช่วงนี้อืคิตไม่ค่อยตั้งมนะั่นเราก็ต้องทำเอาสิเนาะเราอยากได้สมาธิเราก็ทําสมาธิทําเหตุให้มีสมาธินะ ต้องการให้ใจได้พักผลล่อนเราก็เลือกอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขแล้วก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆอยู่กับพุโทโธมีความสุขก็เอาพุโทโธอยู่กับลมหายใจมีความสุขก็ลมหายใจแก็ได้สมาธิชนิดสงบหรืออยู่กับลมหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมัน่นเนี่ยเพิ่มสมาธิขึ้นมานะเราขันมันก็จะแยกของคุณขันมันจะแยกง่ายไม่ยากหอกครับคล้ายๆจะมองเห็นอยู่ครับแต่ว่า สงสัยว่าสมาธิใช่ใช่สมาธิที่ต้องอ่านหนังสือไหมครับคล้ายๆกันไหมครับไม่เหมือนกันสมาธิที่ใช้อ่านหนังสือเป็นสมาธิออกนอกสมาธิอันเนี้ยใจอยู่กับตัวเองใจเป็นตัวของตัวเองใจหนีไปคิดแล้วรู้ใจหนีไปเพ่งแล้วรู้รู้ทันใจส่วนสมาธิอ่านหนังสือน่รู้หนังสือสมาธิอันเนี้ยรู้ทันใจตัวเองไม่เหมือนกันนะครับอย่างถ้าใจเราหนีไปคิดเรารู้เนี่ยเราจะได้สมาธิที่ตั้งมั่น ไม่เหมือนตอนอ่านหนังสืออ่านหนังสือเรารู้แต่หนังสือเราลืมร่างกายลืมจิตใจของเราอย่างานหนังสืออยู่ยุงมากัดเราไม่รู้เลยเนาะตอนนี้รู้สึกว่าจะขาดพลังใช่ครับต้องซ้อมนะทำในรูปแบบเหนือได้แรงครับนี่แหละจุดอ่อนที่หลวงพ่อบอกนะคารวะสมาธิไม่ค่อยพอการนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อก็ปฏิบัต จริงจังมาได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะแล้วก็ตอนแรกๆที่ทำเนี่ยคือคือทุ ก, กทุกคืนก่อนนอนจะจะสวดมนต์นะคะ mm hmm. ค่ะแล้วก็ mm hmm. <laughs> ตื่นเต้นจังเลยเอ่อแรกๆที่ที่ดูจิตเนี่ยจะจะดูมองไม่เห็นว่าตัวเองรู้สึกยังไงคือมันจะเป็นเบอรเบอร์ค mm ่ะ hmm. พอมาหลังๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตอนเช้าที่ ท, ที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะรู้ได้ว่าจิตเนี่ย ไปคิดตลอดเวลาเดี๋ยวก็คิดเรื่องนู่นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้ค่ะแล้วก็พอพอคิดมากๆมันเหนื่อยอะค่ะก็เลยเปิดซีดีหลวงพ่อฟังมันก็จะช่วยได้ทีนี้ไม่แน่ใจว่าที่ทํามาเนี่ยมันถูกไหมคะแล้วมีมีคำแนะนำเห็นไหมว่าสองเดือนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วก็เห็นว่าว่าเปลี่ยนไปอะค่ะว่ารู้สึกว่าเราเห็นภาพนดีนะใจมันถ้าถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้เยอะขึ้นเยอะขึ้น ใจไม่ฟุ้งกระโดดเข้าไปในอารมณ์ต่างๆถอยออกมาได้เยอะขึ้นก็ยังฟุ้งเยอะอยู่ค่ะฟุ้งไม่เป็นไรนะใจเราไม่กระโดดไปด้วยเรารู้ทันว่าใจเป็นฟุ้งอยู่ดีนะที่ฝึกอยู่นะไปทําอีกไปก็แค่สวดมนต์ไปอย่างนี้ก็พอและใช่ไมได้ได้สวดไปเรื่อยๆค่ะว่างๆก็สวดไปหลวงพ่อหน้าสวดมนต์เยอะน้องวันๆหนึ่งอะ ขอบพระคุณคะ่ะก็อยากจะขอบพระคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ<อ>์ค่ะที่ <laughs> ที่ทำให้ใ ห, ให้ให้มีธรรมมาแล้วทําให้เราเวลามีทุกเนี่ยให้เราแบบได้พบอะไรที่มันออมันพิเศษสําหรับชีวิตอะคะ่ะแถมให้หน่ยตัวน ะ, ะไปดูความขัดใจความขัดใจเล็กๆเนี่ยชอบแทรกอยู่เรื่อยๆแทบทุกเรื่องเลยไปดูตัวนี้นะค่ะครับขอบพระคุณค่ะกลาวนมัสการคะ่ะแม่ชีมาจากไหนล่ะ มาจากเชยภู ม, ค, มค่ะก็คือทําในรูปแบบก็คือเดินจงกรมแล้วก็ยกมือสร้างจังหวะค่ะแต่แต่ยังคิดว่ามันยังเหลือความจงใจอยู่บ้างใช่ไหมคะเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเบื้องต้นก็ต้องจงใจไว้ก่อนเนะบื้องต้นจะเอาพอดีไม่ให้จงใจเลยเดี๋ยวไม่ปฏิบัติต้องจงใจไว้ก่อนแหละแล้วก็รู้ทันถ้าจงใจมากนะมันไม่เจริญ แล้วนะก็รู้ทันไปใจก็จงใจนิดนหน่อยหอย่อย่างนี้พัฒนาได้ค่ะแล้วก็หนูทําความสงบไม่ค่อยได้อ่ะคะ่ะพยายามจะทําสมาธิเราความคิดมันกรแทงมาตลอดเคล็ดลับนะคะ้าเราเป็นคนช่างคิดเนี่ยเลยไปทำให้ไม่คิดเนี่ยไม่ได้เราพามันคิดเลยเช่นคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายผมคนเล็บฟันหนังนะภาพมันคิดไปเลยคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะ ใช้พุทธโธช่วยได้ไหมคะได้แต่ไม่ใช่พุทธโธเพื่อให้จิตสงบนะพุทธโธถ้าจะใช้พุทธโธบริกรรมเนะี่ยก็พุ ท, ทรบริกรรมแล้วรู้ทันจิตไป<อ>เดี๋ยวก็จิตจะสงบเองค่ะแต่ถ้าชอบคิดนะอย่างคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยใจเราศรัทธาขึ้นมาเดี๋ยวก็สงบได้เดี๋ยวจะใช้พุทธโธอย่างเดียวก็ได้ติดขัดอะไรก็ไปถามหลวงพ่อคําเขียนเนาะ <laughs> นี่ใช่ภู่มา ขอบพระคุณค่ะเห็นมีพระแท้ๆอยู่เป็นกลางมากขึ้นค่ะอพอกระทบอะไรก็เหมือนอกับอยั้งๆได้มั่งค่ะดีแต่ถูกนะแต่บางครั้งจะเป็นนานๆครั้งที่แบบรวมกันจนจนมองอะไรไม่ออกเลยค่ะ ม, มันมองไม่ออกรู้ว่ามองไม่ออกนะมันรวมรู้ว่ารว ม, รวมอย่างเวลา ม, มั่วซัวมากๆนะรู้ว่ากำลังมัวอยู่นี่มองออกเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ก็เรียกว่ารู้ทันแลว่ากาลังมั่วอยู่แต่บางทีนั่งมาธีแล้วมันก็เกงๆค่ะก็เก็งไปก่อนนะจะให้พอดีทํายากหรอกถ้าอยู่ที่ความชนานาญแต่<ม>ที่ส ม, สมาธิต้องใช้เวลาหลวงถ้าชนานาญ<ผ>บอกว่าหลงแล้วก็อยากแล้วก็โทสะหนูก็เป็นค่ะอืมเป็นธรรมดาแล้วทําไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดสติกแล้วกัน ่าเชิญกลับบ้านนะ